138. สัมมาสมาธิรู้แจ้งความจริงได้ยิ่งกว่าอย่างไรซึ่งสัมมาสมาธินั้นเป็นสมาธิที่แตกต่างจากเจโตสมาธิคนละเรื่องเลยทั้งวิธีการปฏิบัติปฏิปทาท้งอาการของผลธรรมที่บรรลุความจริงได้แล้ว อันเป็นการรู้โลกสองคือรู้ทั้งโลกสมมุติสัจจะโลกีและโลกปรมาทิติสัจจะโลกุตละอันเป็นโลกอื่นประโลกซึ่งเป็นโลกอีกโลกหนึ่งโลกุตละที่แตกต่างไปจากโลกเก่าคือโลกยะสามัญของปุถุชนเดิมที่ทุกคนเป็นอยู่อย่างนั้นกันมาก่อน และเป็นการรู้จักรู้แจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงของมนุษย์เพื่อรู้ครบครันทั้งความเป็นโลกและความเป็นธรรมะหรือความเป็นรูปและความเป็นนามโดยเฉพาะความเป็นความจริงสัจจะที่เป็นความจริงของโลกิยะและความจริงของโลกุตระ หรือสมมุติศาสตร์และประมตถสศตร์จนกระทั่งถึงรู้ความจริงที่ความเป็นความจริงสัสตระของสมาธิและสัมมาสมาธิผู้ปฏิบัติแบบลืมตาสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสมาธิจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงท่วนท้งโลกภายนอกคือกามาวจร มีตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้อยู่ร่วมกันครบเมื่อดับกิเลสในกามภพบนี้ได้ก็ยังอยู่เหนือความเป็นโลกกรรมนี้โดยไม่ต้องหลับตาหลบหนีไปไหนแล้วกิเลสขั้นรูปภพก็จะออกมาให้ศึกษาเรียนรู้ต่อมาด้วยการใช้สัมผัสจากตาหู จมูกลิ้นกายใจนี้แหลซึ่งจะเป็นความจริงแจ่มแจ้งด้วยจากสุปัญญาญาณวิชาแสงสว่างอาโลกาที่ชัดเจนยิ่งแม้ที่สุดกิเลสขั้นรูปราวจรที่สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยภาวะลืมตา และกำจัดมันให้ดับสิ้นไปได้หมดสิ้นอีกกิเลสขั้นอรูปปัวจรก็ในยะเดียวกันก็จะออกมาให้เรารู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้ด้วยการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นกันนี้แลแเจมแจ้งกระจ่างยิ่ง ซึ่งแตกต่างกันอย่างชิ้นเชิงกับสมาธิหลับตาอยู่ในภพที่ผุดก็ผุดอยู่แต่ในขายถูกขายครอบไว้ที่กำหนดขันส่วนอดีตก็ดีกำหนดขันส่วนอนาคตก็ดีกำหนดขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตก็ดีปรารบขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดท่านเหล่านั้นทั้งหมดถูกทิฏฐิ62เหล่านี้แหละเป็นดูดขายคลุมไว้เมื่อผุดก็ผุดอยู่ในขายนี้พระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ90ส